ขอกราบธรรมสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านสาะชาชนที่เคารพทุกท่านผมผมได้ยินแล้วครับผมได้ยินแล้วตรงว่ารูปเดินรูปไปอันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมแสดงว่าจะเดินหรือไปก็เป็นอันเดียวกันเดินก้าวไปอะไรอันเดียวกันรูปกับไปนี่อันเดียวกันหรือเปล่ารูปกับไปรูปกับไปอันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันก็ได้แยกกันก็ได้ แต่ที่อาตมาเห็นเนี่ยมันแยกกันที่เกิดการเถียงขึ้นมาเนี่ยอาตมาเห็นมันแยกกันอย่างนี้คุณโยมอาจารย์แยกยังไงขอญาติเขียนมันจะได้เผื่อหลายๆท่านอาจจะได้ช่วยกันแก้ไขถ้ามันผิดอาตมาก็แก้เพราะถ้ามันไม่ผิดก็ผมเข้าใจเยินแบบสามาแยกยังไงมันเห็นว่าอย่างนี้คุณโยมอาจารย์รูปนี่อันนึ่งรู้รูปนี่ตัวหนึ่งนะรูปกระตุ้นะ เห็นว่าไอ้รู้ไปเนี่ยมันเป็นรู้ที่หัวใจอรู้ไปเนี่ยรู้ว่ารูปไปเนี่ยมันที่หัวใจก็เกิดขึ้นอุ้ยรูปไปรูปเดินเนี่ยมันมีสองกรณีสองย่างแล้วรู้ไหมฮะนั่นแหะสินั่นก็อยากจอยากจะรู้น่ะนะมันมันเหมือนกับเวทนาเกิดน่ะนะถ้านั่งเวทนาเกิดเนี่ยนะไม่เคยสนใจเวทนาหรอกไปดูรูปอะไรปวดเมื่อยอะไรปวดเมื่อยเราดูกายานุปัสสนาแต่ที่เดินเนี่ยไม่ได้ดูน้ำไม่รู้ไม่รู้จักนาำด้วยมันเป็นยังไงไม่รู้จักว่ามันหัวใจนี่เป็นยังไงตกใจอาจารย์ เดินเดินไปเดือนเฮ้ยทำไมเราไม่รู้ไนะยังไงวะไอ้รูปแล้วไอ้นี่เป็นรู้ว่าไปเออเพราะเกิดความที่มันแยกกันสองอย่างมันสงสัยในพยัญชนะมันมันคือคือมันเกิดแยกกันสองอย่างขึ้นมาแล้วมันเอ๊ะเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ไปดูไอ้ไอ้รูปมันจะไปยังไงแล้วแล้วก็รู้เพียงรูปมันไปมันไปจริงจริงไอ้รู้ว่าไปเนี่ยมันเปลี่ยนมารูปคิดนะรูกคิดแล้วมันไม่จะดูรูปรู้ว่าไปเนี่ยมันเปลี่ยนมาลูกคิดแล้วนะฮะรูกคิดแล้วมันไม่ได้ดูรูป ถ้ารูปไปรูปก้าวลูปเดินอันเดียวกันคราวนี้พอมารู้สึกที่ใจเพราะมันเปลีป่ยนไปคิดแล้วเราตามเขาไม่ทันไอน้นามมันคิดนึกได้ว่าลูกไปอย่านี้ลูกไปอยานี้ไปตรงอย่างนี้นั่นแหละนามนามละสองอย่างนี้อยู่คนละทีะะะ่แยกกันแยกกัน ก, ก็นนกนเหมือนกับที่เหมือนกับที่สอนกันเนี่ยเขาสอ น, นกันเวลานั่งแล้ว ทุกมันเกิดใช่ไหมฮะเอ๊ะทุกนี่มันนามหรือลูกใช่ไหมฮะไอ้ทุกนี่มันเวทนาเนี่ยเขาก็เลยให้ย้ายฐานไปเปลี่ยนไปดูนามาซึ่งจริงจริงไอ้ทุกเวทนาเนี่ยมันมาจากรูปก็อันเดียวกันแค น, นี้ไอ้การไปของเราเนี่ยไปจริงเลยไม่ด้เลยอ่าอ่าอ่าอ่าใจว่าเอ๊ะทำไมเราไปทไปได้ยังไงจิตจิตมันเปลี่ยนอารมณ์มันเปลี่ยนอารมณ์ไปรู้สึกอ่ามันเปลี่ยนไปดูนามแล้วอ่า มันเปลี่ยนไปดูน้าจิตมันเร็วท่านท่านตามไม่ทันอ่าไอตอนนั้นไอจิตมันรู้ไอไปมันไม่ได้อยู่นิ่งไอไปที่ท่านรู้น่ะไอไปที่ท่านรู้ไอน้ำน้มันรู้เนี่ยไอรูปไม่ได้อยู่นิ่งนะรูปมันเคลื่อนไปฮะนั่นสิกระรุ้ที่ใจเนี่ยสิมันมันฟุ้งมันฟุ้งกว่าที่ใจ อ่าอ่ามันจับมัจับความรู้สึกตรงรูปอ่ากรร็เหมือนผมเปรียบเทียบอะพอเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ดูรูปมันมาดูเวทนาที่ใจนะความรู้สึกเวทนานี่มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนฐานแล้วเพราะฉะนั้นไม่ตรงก็ท่านจึงบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหะติให้รักษาการดูรูปโดยความเป็นรูปไว้นะเนี่ยถ้ามันรู้อื่นๆฟุ้งไปบ้างยังเรายังไม่เอาเลยเพื่อคิดนึกอะไรไม่ใช่เอาให้รู้แทรรูปเป็นรูป ใกล้เคียงใกล้เคียงกันหิดมาเร็วหิดมาแป๊บเดียวหเร็ว <c oughs> อ่าเพราะนั้นไอ้ไปก็ดีเดินก็ดีก้าวก็ดีคืออันเดียวกันอาการเคลื่อนไหวไปแต่ไอ้ไปมันกว้างกว่าผ่านไปรถไม่ใช่เดินไปแล้วนะไปรถไปรถไปมอเตอร์ไซค์ไปรถแท็กซี่ไปอะไรเนี่ยไปเหมือนกันไอ้ไปเนี่ยเป็นเป็นบัญญตัติพยัญชนะมันกว้างกว่า ก็เสียงกันว่าคัดฉานตัวว่าคัดฉามิติประชานาติเขาแปลบนักบาลีบอกแปลว่าเมื่อเมื่อไปไปก็รู้ว่าไปนะอ ะ, อะไรไปล่ะมันต้องเดินเดินก็ต้องรู้ว่าเดินนะเนี่ยแต่อวยตามพยัญชนะก็บอกไม่เห็นมีภาษาอะไรที่ไหนบอกว่าเดินให้คัดฉันเนี่ยไปคัดฉันตัว่าคัดฉามิติประชานาติเนี่ยพยัญชนะไปเถียงในเรื่องพยัญชนะแต่ก็คืออาการเดียวกัน เดินก็กไปอันเดียวกันการเดินของใครแหละของรูปการไปของใครของรูปเราก็ยืนรูปไปในฐานะกายานุปัสสนาสติปัสสันถ้ามันแวบไป ร, รู้รู้สึกไปปุ๊บโอนี่ไม่ใช่แล้ะเราไม่ใช่ดูรูปที่ยืนแล้วมัน ร, รู้ที่ใจแล้วมันผิดนะที่จริงมันต้องรู้สึกที่ทานี่มันเปลี่ยนไปแป๊บรู้สึกที่ใจอันนี้มันย้ายฐานมันย้ายฐานไปต้องต้องต้องยืนไว้ต้องยืนไว้ต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องรู้ที่รูป พอย้ายฐานพบมันเปลี่ยนที่จากรู้จิตอาการเก้าแล้วก็ตั้งสติใหม่เอาไปรู้จิตฐานไปอไอ้ใจมันแอ บ, บไปรู้นามค่ะรู้รู้นามอ่ะไ อ, อ, อ, อ้ไอ้นามนี่มันรู้ไปที่ใจมันมันรู้สึกที่ใจมันเปลี่ยนไม่ใช่มันเปลี่ย น, ม, น, ยนมันเหมือนกับเรากุ้งเรากุ้งอะเปลี่ยน าวอแม่เป็น็่าะาว่าเวลาาวได้แแัจไได้ก็ไปดูว่าเดินไปจะเป็นอะไอะ่ล่รู้ว่าคนละอย่างกันรู้ว่านน่าเ็นออ่า า, านียังเป็นมันอ่าแต่ามเป็นของจริงน่เเป็นสภาวะของจริงรู้สึกที่ก้าไม่ใช่คิดฮะเปล่าเปล่าท่านเป็นความรู้สึกที่รู้ที่ใจอ่า<บ>มันรู้สึกมันรู้สึกที่ใจเองอ่าแต่ี่ปนตเป็นสภาวะเล่าเ่าท่านไปเป็นตัวรู้ซะท่านไปเป็นตัวรู้เช่าไม่ได้ดูที่รูเปเดิน ทีแรกรูปเดินน่ะแต่มันเปลี่ยนไปรู้สึกรุ้สึกตัวรู้ไม่ได้ไม่ได้แต่จับสภาวะได้มันต้องรู้สิว่าอันก็จับสภาวะไม่ได้สิถ้าจับสภาวะได้มันต้องก็ต้องรู้เป็นน้าอันนี้มันไม่รู้แก็ไม่รู้ว่ามีแต่เวลาอะอะอะอะอะจับไม่ได้จับไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวเข้าใจผิดเข้าใจผิด จับสภาวะหมายถึงว่าจับรู้รูปรู้น้ำนั่นไม่ใช่สภาวะเราไม่รู้สภาวะนั่นแหละนั่นแหละมันไม่รู้สภาวะนั่นคือความไม่รู้ไม่รู้นะ่ะไอไม่รู้นะ่ะมันรู้หรือเปล่าลนะ่ะไอไม่รู้มันถึงสงสัยถ้ารู้แล้วสงสัยไหม ไม่ตรงไปอ่าไม่ตรงไปอ่าถ้าถามอาจารย์นี้อย่าไปสนใจมันไม่ได้อยู่ในฐานที่เราดูอยู่อ่าถ้าไปสนใจเดี๋ยวไปเห็นอะไรต่ออะไรกลอยเดี๋ยวไปอยากอ่าเพราะนั้นอย่าไปสนใจอันใดที่เราไม่ไม่ทราบเหตุผลแล้วนะอย่าไปค้นหาเพราะว่ามันต้องไหลมาจากเหตุหตห ท, ทั้งนั้น เห็น a ่ a เป็นลูน่เอะอ่าอ่าฮะอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า่อ่าอ่าอ่า แต่เวลาแยกรูปแยกนามจริงๆรู้มันไม่ไม่รู้หรอรู้อ่าอ่าอ่าอ่าแมันเกิดปรากฏการขึ้นมาเกิดปรากฏการขึ้นมาแล้วก็สงสัยในปรากฏการอย่างนี้นะก็ปรากฏการขึ้นมาเหมือนเหมือนเราฟุ้งวัดเดียวมาอยู่ที่ฮะไม่ใช่ไอ้ยันม um ันจะรู้รูปรู้นามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้ยานที่มันยานี่มันรู้อะไรล่ะ นามาูุปะเพรเฉสยานยานที่หนึ่งมันต้องรู้รูปรู้นามครนี้ถ้าไม่รู้อะไรเลยไอยานที่หนึ่งมันก็ยังไม่ขึ้นนามารูปะเพปรเฉสยานเนี่ยยานที่หนึ่งเนี่ยนะฮะกรณีนามก็ไม่รู้รูปก็ไม่รู้มันเลยยังไม่รู้อะไรยังไม่ขึ้นยานเดี๋ยวจะเข้าใจผิดจะขึ้นยานมันต้องรู้รูปอะไรนามอะไรนะเอานะะพอสมควรกับเวล า, อาพอพอจะเข้าใจบ้างเรื่องที่เราจะพูดกันไปเนี่ยผมก็ฟังอาจารย์ส น, นั่นพูดไป งแล้วรู้เรื่องไหมพูดเรื่องอะไรอาจารย์สนันอธิบายเรื่องอะไรฮะท่านจะอธิบายเรื่องปัญญานะแต่คนนี้กว้างขวางไปเลยจับไม่ได้ว่าพูดเรื่องปัญญาเรื่องอะไรศีลก็พูดมาแล้วสมาธิก็พูดมาแล้วปัญญาก็พูดมาแล้วได้จับความว่ารู้กรรมรู้เรื่องชาญ รู้เรื่องวิปัสนารู้เรื่องมรรครู้เรื่องผลนี่ก็ก็เป็นประเภทของปัญญาสมมาทิฏิขยักต่างๆสำหรับต่อไปนี้ก็จะได้พูดรวมทันนน ท, ทพัฒนพูดเมื่อวานนี้ก็เรื่องศีลเรื่องศีลพูดแล้วแล้วก็ล้วจะช่วยพูดสมาธิอาจารย์สนันพูดเรื่องปัญญาแต่นี้ในรอบนี้ ก็จะรวบรวมสรุปอีกทีนึ่